จากนั้นนาคคาราศแมยอมกันไม่ได้เงี้ยมันยามกันชัดๆเลยพ่นไฟเข้ามาเลยบอกพระโมคคัลลานะก็บอกโอ้ไม่ใช่ท่านจะมีไฟร้เราก็มีไฟก็เลยพ่นไฟไนงี้ยก็ไฟมันก็ลวกหลังเราเยอยางกันเนี่ยเจ็บวา้าบขับไฟเลยนะพระโมคคัลลานะไม่เป็นไรเลยนะทีนี้นาคคาราชก็เลยคิดว่าหน้าเนี้ยบีบเราเข้ากับภูเขาเซเนรุเนีย่ย น, นะแล้วก็พ่นควันใส่เราพ่นไฟใส่เราก็เลยถามว่าท่านเป็นใครนอาอนกันพระโมคคัลลานะบอกว่าเราโมคคัลลานะ พญานาคก็บอกท่านเอ้ยท่านอยู่ตั้งอยู่ในความเป็นภิกษุกลับไปเป็นพระตามเดิมเถอะว่างั้นนะนะพระเทเรก็กลับไปเป็นไปเป็นภิกษุเนี่ยนะแล้วก็เดินเข้าช่องหูขวาของพญานาคออกไปทางหูซ้ายเข้าไปหูซ้ายออกหูขวาเข้าจมูกซ้ายออกทางจมูกขวาเข้าจมูกขวาออกทางจมูกซ้ายเนี่ยนะกระหวัตที่เดินจงกรมไปเลยขณะนั้นหน้าคราก็อ้าปากพระโมคคลลานะเข้าไปเดินจงกรมในท้องกระวะเขาก็หนดที่ตะวันออกที่ตะวันตกพระโมคคลลาน่าก็เดิน กลับไปกลับมาพระพุทธเจ้าก็เตือนพระโมคคัลลาน ะ, ะโมคคัลลานะใส่ใจระวังให้ดีหน้าตัวนี้มีฤิ์มากพระโมคคัลลานะก็บอกว่าพระเจ้าข้าอิทธิบาทสี่ข้าพระองค์อบรมแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุดยานทำให้มั่นคงแล้วตามตั้งเอาไว้แล้วบ่มสุขแล้วปรารบดีแล้วพระเจ้าข้าเพียงแต่นันโทปนันทนาครชเท่านั้นขอให้พระองค์สบายพระทัยได้นาครชเช่นนันโทปนันทะ ตั้งพันตั้งแสนข้าพราะองค์ก็ฝึกได้ฝ่ายพระนาคราชนี่ก็เลยคิดว่าสมณะรูปนี้นะเข้าไปตอนที่เราไม่เห็นเอาเถอะเวลาที่ออกมาเราจะงับเคี้ยวกินมันเสียด้วยระหว่างซี่ฟันนี่แหละแล้วก็แซงพูดว่าท่านเจ้าข้านีมนออกมาเถอะอย่าไปเดินไปไปม า, มาในท้องเลยข้าพเจ้าลำบากหือกัน พระโมคคัลลานะก็ยืนออกมาข้างนอกน า, นาคราชก็เห็นก็ฉุกคิดว่าสมณะรูปนี้คือท่านองค์นั้นก็เลยพ่นลมให้ออกทางจมูกก็คือจะพ่นให้ออกเนี่ยกระหวัดจะพัดให้เปรียวเนี่ยนะจะมากระทบฟันใช่ไมพอมากระทบฟันจ ะ, จะเคี้ยวกินแล้วก็กลืนปะหมดเรื่องเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วพระโมคคัลลานะก็เข้าจาตุตฌานแม้แต่ขุมขนของพระโมคคัลลานะก็ไม่หวั่นไหวไปตามลมที่พ่นออกไปเนี่ยนะเขาบอกว่าภิกษุที่เหลือเนี่ยนะแสดงฤทธิ์ดังที่กล่าวตอนแรกทั้งหมดแต่ว่า ไอ้ที่จะเข้าฌานัยแล้วที่ตรงพ่นลมเร็วตรงนั้นน่ะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นพระจะตายกันเพราะเท่ากับยักษ์นี่เอออะไรนะนาจะฆ่าพระแต่ว่าตรงนี้พระโมคคลานะเนี่ยไม่มีปัญหาตรงนี้เนี่ยเพราะท่านชํานาญในเรื่องฤทธิ์มากเะนั้นพระองค์ก็เลยอนุญาตให้พระโมคคลานะไปฝึกนาคราชนาคราชคิดว่าเราไม่สามารถทําให้ขุมขนของสมณะองค์นี้หวั่นไหวได้แม้แต่ลมจมูกสมณะรูปนี้มีฤทธิ์มากพระเถระก็เลย ละเนรมิตภาพก็เลยเนระมิตเป็นรูปครุดกับพืปีกไล่ติดตามนาคราชไปเนี่ยนะแม้ น, นาคเจอครุดเข้าไปนี่ ง, งึบเลยกันเนี่ยนะก็เลยละอัตภาพเนระมิตรเป็นมานบหนุ่มน้อยเ่ท่านเจ้าค่ะพระเจ้าขอถึงท่านเป็นสารณะเนี่ยนะขอมอบกายถวายชีวิตนี้ให้ท่านยอมท่านหมดแลว้วเนี่ยนะกลัวเลยนะกลัวตายจะเห็นครุดมาละไปไหว้เท้าของพระเถระพระเถระก็กล่าวว่านันทะ พระศาสดาสเสด็จมาแล้วท่านจงมาเราจะพาท่านไปพบพระพุทธเจ้าก็ฝึกนาคราชให้สิ้นพยศแล้วก็ไปสู่สำนักพระพุทธเจ้านาคครชถวอยบังคมพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอจงเป็นสุขเถิดนาคราชเสร็จแล้วพระองค์ก็มีภิกษุสงแวดล้อมสเสด็จไปสู่นิเวศของอนาถปินฑิกาเศรษฐี พิธีน์เขาไปชั้นนั่นแหละแต่แวะดาววดึงก่อนมา ง, งั้นเถอะไปฝึกนาคก่อนท่านอนาถาก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฉนไนวันนี้พระองค์จึงมาสายนักนะพระองค์ก็บอกว่าโมคคารานับนันโทป น, นันทะเขาทาสงครามกันขึ้นอนาถาก็ถามว่าใครแพ้ใครชนะพระเจ้าข่าบอกว่าโมคคลรานะชนะนันโทป น, นันทะแพ้อนาถก็ทูลว่าพระเจ้าค่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้ารับพระตาหารของข้าพระองค์ ติดต่อกันเจ็ดวันข้าพระ อ, องค์จะทสาสการะแก่พระโมคคัลลานะเจ็ดวันเนี่ยนะคือคนจะทำบุญอ่ะนะเกินเหตุการณ์หน่อยหนึ่งนะจะทำบุญหมดอนนาณาถานี่เป็นเป็นนักทำบุญจริงๆเลยเขาบอกว่าตุ๊กตาหลานเนี่ยเามีหลานโดคนหนึ่งกนะัตุ๊กตาพอตุ๊กตาหลานเล่นไปเล่นมามันแตกกันนะ ร้องไห้บอกโอ้ไม่เป็นไรหนูเดี๋ยวปู่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตุ๊กตาและกันก็เลยนิมอนพระไปะทำบุญเจ็ดวันเนี่ยนะอุทิศส่วนก็คือคือเรียกว่าจะหาเหตุหาปัจจัยทำบุญแบบนี้ตลอดคือเขาเรียกว่าคนที่มีจิตเป็นบุญอ่ะนะคือเรียกว่าน้อมหาเหตุการณ์อะไรก็ได้อย่างหนึ่งหาเหตุทำบุญตลอดอ่ะนะอนาคตาเขาเป็นอย่างนั้น นี่ก็เหมือนกันก็เลยถือโอกาสทําบุญนะนะบูชาพระโมคขาลานะเวันนะนะทำสการะเป็นอันมากแก่พิสุประมาณ500รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเน่ยนะนะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องพระโมคขาลานะเป็นผู้มีฤทธิ์เนี่ยนะก็เป็นผู้ที่ฝึกพระโมคขาลานะเนี่ยฝึกฝึกเอ่อฝึกประชาชนเนี่ยปริมาณเยอะนะไปฝึกเช่นไปฝึกอะไรฝึกเศรษฐีขี้เหนียวเนี่ยนะเศรษฐีโกศยะเศรษฐีที่เมืองราชจะเครกนั้นก็ไป อย่างเศรษฐีโกศยะเศรษฐีเมืองราชเจ้าคือก็ขี้เหนียวขนาดถึงเรียกว่าขี้เหนียวแม้กระทั่งกับภรรยาของตัวเองอนะขี้เหนียวขนาดนั้นก็มีอยู่ครั้งบอกว่ามีเขาเนี่ยไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเพื่อนเขาทําขนมเบื้องเนี่ยนะกินอร่อยมากเพื่อนก็ยื่นให้บอกนี่มาทานด้วยกันสิเพื่อนอเศรษฐีขี้เหนียวคนนี้ก็เลยคิดว่าเอยถ้าเรากินนะเรากินของเขามื้อนี้ต่อไปเราก็เลี้ยงเขาตอบมื้อหน้า จริงเขาเป็นคนกระตันยูอยู่บ้างเหมือนกันะนะถึงจะขี้เหนียวแต่ก็กระตันยูเพราะนั้นวิธีการที่เราไม่ต้องตอบแทนก็ต้องไม่กินของเขากลับบ้านไปนอนซมอยู่บ้านเมียก็มาถามเออท่านเสร็จท่านเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าบอกไม่เป็นไรพระราชาดูท่านหรือไม่ดูดูมีธุระมีปัญหาอะไรกับใครไหมไม่มีเนี่ยนะ ก, ก็นั่งคลุมผ้านะครับว่าทําเป็นเด็กแบบเป็นเด็กที่น้อยใจนะน้อยอกน้อยใจอ ย, อยู่ในเตียงนอนนะ่นแหละ เอาถามไปถามมาแล้วท่านอยากกินอะไรใช่ไหมอย่าบอกใครนะครับกีนขนมเบื้องครับงั้นอุย้ยท่านเป็นเศรษฐีใหญ่เนี่ยนะท่านจะทําเลี้ยงคนทั้งเจ็ดซอยเลยก็ได้เอ้ยแม่น่าใหญ่วระมาณนั้นนะเธอเอาของเธอทําไปกินซี่เนี่ยนะก็คือบอเอ้งั้นทําให้เลี้ยงคนทั้งซอยเลยไม่เกี่ยวอะไรกับคนทั้งซอยเนี่ยนะ้เรื่องของฉันเนี่ยนะนั่นเลี้ยงคนในบ้านให้คนในบ้านไม่ได้อยากเนี่ย ก็งกิน2คนเธออยากด้วยเหรอไม่ทันคนเดียวกันแล้วกันเนี่ยนะสรุปว่าก็ขี้เหนียวถึงกนานแม้กับเมียเหมือนกันเน่ยเมียเมียก็จะไม่เลี้ยงเอางี้ก็แล้วกันไออทำไงดีก็เลยเอาเข้าวสารอย่างละหน่อยเอาเรียกว่าเอาเครื่องประกอบที่จะทําขนมอย่างละหน่อยอย่างละหน่อ ย, อ ย, อ, ยอย่างละหน่อยเนี่ยเรียกว่าทําประกอบเป็นขนมปับ๊บจะกินได้คนเดียวนะแต่ว่าเมียต้องไปด้วยแล้วก็วางคนปิดประตูช่องตั้งแต่บ้านเขามี7ชั้นเนี่ยก็ปิดปิดปิดปิดปิดปิดขึ้นไปถึงชั้น7แล้วก็ไปทอดขนมอยู่นู่น อ, อยู่ชั้น7เนี่ยนะ พอทอดกาลังทอดขนมอยู่นั่นแหละพระโมคขลานะก็มาก็มาเดินบินทบาทอุ้มบาตอยู่ริมหน้าตากเลยนะเขบอกว่าถอให้ท่านเดินจงกรมอยู่แถวแถวนี้ท่านก็ไม่ได้ฉันท่านก็เดินจงกรมให้ท่านนั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นท่านก็ไม่ได้ฉันท่านก็นั่งต่อให้ท่านพ่นควันทั้งบ้านท่านก็ไม่ได้ฉันพระโมกคลานะก็พ่นควันตลบบ้านเฮ้ยเนี่ย นี่ถ้าเราพูดว่าขอให้ท่านพ่นฝ่ายนะท่านจะพ่นจริงๆแล้วบ้านเราโว้ดแน่ก็เลยเอางล้วท่านอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะถวายท่านหน่อยหนึ่งก็แล้วกันเขาก็เลยเอาแป้งเนี่ยนิดเดียวแล้วหยอดลงไปในน้ํามันนะนะพอเนยใส่ทอดแล้วมันก็บานเต็มกระทะไปหมดมันก็จะบิดเอาแต่หน่อยนึ่งนะทอดเมื่อไหรมันก็ได้แต่ขนมแผ่นโตแผ่นโตแผนโ ต, นโ ต, นโตทํำยังไงดีแล้วก็อทอดก็เราว่าขนาดเอาแป้งลงนิดเดียวมันก็บานเต็มกระทะไปหมดทุกครั้งเนี่ยนะ ก็เลยโอ้ยเหนื่อยใจก็เลยเอางี้ล้กันให้ท่านสักชิ้นหนึ่งก็ได้จะเด็ดไปให้พ้นๆไปดึงจากในในที่ที่ไอ้ทอดเสร็จแล้วดึงยังไงมันก็ดึงไม่แยกกันน่ะนะดึงยังไงมันก็ไม่แตกกันทันายที่สุดก็ดึงจนหายหิวอ่ะชวนเมียมาช่วยกันดึงดึงจนหายหิวโอ้ยถวายท่านให้หมดก็แล้วกันหมดเรื่องหายอยากแล้วประมาณนั้นอ่ะก็เลยดึงไอ้ความขี้เหนียวเนี่ยดึงจนหายหิวหายหิวเราจะถวายพระละเสร็จแล้วก็บอกยอม นะพระมกข์คืสรุว่าทั้งหมดนี่ฤทธิ์ของพระโมคขาลานะทั้งหมดนะเจตี่ก็เลยเลื่อมสายโอ้ยน้องมาหารไปถวายขอยถึงพระโมคขาลานะพระโมคขาลานะก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยพระพุทธเจ้ากับพระพิสุสงรอฉันอาหารของท่านอยู่เนี่ยนะพร้อมทั้งพิสุ500ร้อโรบก็เลยก็บอกโอ้ยจะไปยังไงอยู่ทั้งเมืองสาวัตถีก็บอกไม่ยากก็เดินลงบ้านไปก็ก้าวแรกก็ถึงสาวัตถีแล้วก็ไปถวายอาหาร ไหวขนมเบื้องแก่พระภิกษุสองมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกในรฉันกันท้งวัดเลยขนมยังเหลืออีกก็เราเป็นก็เรียกว่าทำไงดีก็เลี้ยงคนทั้งวัดเนี่ยเลี้ยงประชาชนเลี้ยงชาวบ้านเลี้ยมันก็ยังเหลืออีกนะไอ้ขนมก้อนนั้นอ่ะแล้วก็เอาไปไปวางไว้อะนะเอาไปกองไว้เป็นก้อนหินเนยกลายเป็นก้อนหินไปเรียกว่าก้อนขนมเบื้องเนยนะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ให้เศรษฐีขี้เหนียวในฟังว่าเรื่องอะไรนะยถาปิปุพ ร, ราสิมหากยิรา มาลาคู่เลพหูเนี่ยนะก็คือหมายความว่านายหมายความว่าพวกพมรหรือหมูพึ่งเนี่ยเวลาที่บินโบยบินไปที่ ดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยก็จะถือเอาแต่เกสรเนี่ยนะไม่ทําลายสีไม่ทําลายกลิ่นของดอกไม้ฉันใดเนี่ยนะพระสาวกของพระองค์ก็เช่นพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันเนี่ยนะก็ไม่ไปประทุสร้ายถึงจะบริโภคปัจจัยสีของคารวาตเป็นต้นแต่ก็ไม่ได้ประทุสร้ายเขาเลยเนี่ยนะมีแต่ว่าไปเพิ่มภูนให้เขาเจริญยิ่งขึ้นเนี่ยนะซึ่งเศรษฐีก็ฟังด้วยจิตที่เริ่มศรัทธาเริ่มใสศรัทธาเนี่ยนะก็ฟังธรรมก็ได้บรรลุมรคลเป็นพระสูดาบันนะี่ยนะพระโมคคัลลานะก็เอาไปส่งบ้าน คือก็พระโมคลลานะเนี่ยพวกประเภทแบบคนพิเศษพิเศษทั้งหลายเนี่ยพระโมคลลานะจะสงเคราะห์เยอะเนี่ยนะเรียกว่ารุ่นปราบพวกอะไรนะปราบพวกพยศเนี่ยนะพวกพยศพยศทั้งหลายพระโมคลลานะจะเป็นคนไปไปฝึกแล้วก็ช่วยให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยสำเร็จมันรูปมรรคผลขอให้สั่งสมบุญไว้ดีเถอะ จะเป็นคนเลวชั่วถือดาบไล่ฆ่าคนเนี่ยนะถ้ามีบุญเก่าแล้วพระท่านไปโปรดเองแหละถ้าไม่มีบุญก็ตัวใครตัวใครกันแล้วกันเนี่ยนะแต่หมายว่าแต่ไปขี้เหนียวขนาดไหนถ้ามีบุญเก่ามาดีเดี๋ยวเขาก็จะมีคนไปโปรดจนได้อย่างสมัยก่อนนะว่าโดยที่สุดแม้แต่เศรษฐีตีนแมวเนี่ยนะขี้เหนียวถึงขนาดว่าใช้นิ้ว3มนิ้วเท่านั้นแหละจิบถ้าสองนิ้วขีบมันก็เกินไปนะใช้สมนิ้วเนี่ยจิบมันถ้าจับเข้าสารเนี่ยสามนิ้วจับมันจะได้กี่เม็ดดี มันก็จับข้าวสารสามนิ้วจับถั่วสามนิ้วจับงาสามนิ้วจับแล้วของทำบุญทุกอย่างเขาจะใช้สมนิ้วจับเนี่ยนะก็เล้เสียทีตีนแมวเหมือนกัน้ก็พวกนี้ก็ขี้เหนียวขนาดนั้น แต่พระพุทธเจ้าก็อนุโมทนานะโอ้ยบุญเนี่ยนะถึงจะทําทีละเล็กทีละน้อยสั่งสมบุญไปเรื่อยๆหยาดน้ําที่มันหยดตกใส่ตุ่มเนี่ยนะทีละหยดมันก็ยังเต็มเนี่ยนะบุญที่สังสมดทีละเล็กทีละน้อยบ่อยๆมันก็เต็มเองนะก็บรรลุได้เหมือนกันนะมันก็อย่างว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกก็เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อเกินเพื่อความสุขแก่เหล่าเทวลาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นประโยชน์อันใดที่พระพุทธศาสนา หวังเพื่อกูลต่อสรรพสัต์ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้รับประโยชน์เหล่านั้นโดยท้่วกันอนุโมทนาวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้